กรรมที่ทำให้เป็นใบถามกรรมอะไรทำให้คนเป็นใบตั้งแต่เกิดครับตอบเป็นไปได้หลายทางครับแต่กรรมอันเป็นแม่บทก็คือทำให้เกิดการพูดไม่ได้ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปากคนอื่นเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวการปิดปากคนด้วยเงินก็ดี ด้วยการบังคับข่มขู่ก็ดีย่อมทำให้คนถูกปิดปากรู้สึกอึดอัดจะพูดก็พูดไม่ได้ต้องน้ำตาไหลพรากแทนการพรางครูคำพูดที่สมควรจะเป็นสาธารณประโยชน์เมื่อทำบ่อยเข้าก็ต้องแสวงผลอย่างรุนแรงในชาติถัดมาวิบากจะส่งแรงกดประสาทหรือรบกวนระบบเกี่ยวกับการพูดตั้งแต่เด็ก อีกทางหนึ่งคือแกล้งเงียบถูกถามเอาคำตอบที่จะเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากก็เก็บงําไว้หรือแม้เห็นความเสียหายอย่างใหญ่ก็ยังกลั้นใจเงียบเฉยถ้าอั้นคำด้วยความโลภจะมีผลแรงมากกว่าความกลัวแต่ด้วยความกลัวประกอบอยู่ด้วยความเข่าไปด้วยอีกทางที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา คือไปตัดลิ้นคนอื่นไว้เช่นผู้คุมนักโทษซาดิสหรือผู้ปกครองที่มีสิทธิออกกฎหมายตัดลิ้นคนอันนี้น้ำหนักกรรมค่อนข้างแรงไม่ต้องสั่งสมให้มากเหมือนสองข้อข้างต้นครับตัดลิ้นนักโทษคนเดียวด้วยความสนุกขนองหรือออกกฎให้มีผลบังคับใช้เพียงหนึ่งครั้งด้วยความภูมิใจในอำนาจถือว่าทำบาปหนักด้วยจิตที่ประกอบด้วยโสมนัส ก็มักมีแรงส่งให้เกิดผลในชาติถัดมาทันที